ระราชาอย่างนี้หายากในโลกแต่นี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นประราชาของเรานะราชา ร, ราชาใดก็ได้ถ้าประพฤติปฏิบัติดเอาเอาอกเอาใจประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลน้ำท่วมายไหม้ลมพัดวิบัติความยากจนก้นแค้ น, ค, นความยากจนที่ร้ายกาจที่สุดก็คือยากจนความรู้ท่านก่อสร้างโรงเรียนใหน้และจงครูไปสอน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 แล้วให้เรียนได้ศึกษาได้ดีไดดีคนบนป่าบนดอยภูเขาเหล่ากาเนี่เป็นคนป่าเตือนพวกอีกองมูเตอร์พวกมองพวกอะไรนี่ได้เรียนหนังถือมีความรู้แล้วก็มีกินมีอยู่นี่จะพูดความดีของประราชาพวกนี้เลยสักร้อยปีก็ไม่ทิ้นไม่สุดจงท่านทิ้นประชน์นไปแล้วก็จริงวนระลึกเสือนาตีตารมขึ้นมาว่าการระครั้งหนึ่งพระราชาองค์ที่เก้า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 แล้วก็บนที่ทำนี้ความจริงได้ตัวเองเ่วบวชให้ในหลวงก็ได้ตัวเองนั่นแหละแต่เพราะมีในหลวงคนนี้เราจึงบวชว่าเพราะในหลวงมีนั่นแหละเราจึงได้ทำดีถ้าไม่มีในหลวงบันทีก็เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวเพราะฉะนั้นใครคนใดอยู่ไปให้ขอํำดีเพื่อใคยเพื่อเราได้นี่อย่างนี้เรียก่าคนดีเช่นว่าดีหนึ่งพระพุทธเจ้า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 เราถ้าตัก บ, บริเวณวายาตายตัว น, นี้นะให้อยู่ทันวันถวายไรเพลิงนี่เราจะเห็นเหตุการณ์อันโอฬารอลังการมากมายที่เกิดเกินจากบุญบา ร, รมีของพระราชาเพราะฉะนั้นจึงของวอวยพรณญาติโยมทุกทุกคนสุขสมบูรณ์ร่วยจะชุวิตจรนชัยให้มีอายุวันนา้าสุขกระพละให้มีความสุขความเจริญทั่วหน้าเพราะอาัยได้กราบได้ไหว้คนดี